กาละสัญญัติฉางติ่งมีลมตามนี้ก็ 2533 ก็ขอต่อ 3 เมลมเบื้องต้น ก็คิดว่าเราตาย กาละสัญโยชน์ 3 เมรุมตาม 2533 ก็ขอต่อเรื่องของหลวง พอคิดว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ พั้นทํารายสัตแล้วก็ไม่ไม่ลัก จิตไม่คิดเจรจังจองฐานคือตัดพยายามจิต เพราะเข้าถึงสิทธิธาตุคํามีความอ่อนตัวเรื่องของความรักระหว่างเพศอ่อนตัวของความโลภอ่อนตัวของความโกรธ <c oughs> ฝ่ายของสกิทาคามีจิตจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความรู้สึกในความโกรธจะมีความรู้ <c oughs> นายอรมสงัดเนี่ยพลอยมันจะมีความรักโศกสนิทนิดนึงแล้วมีอารมณ์ภาไม่พอใจโศกประมาณ คำ 1 2 3 4 5 6 7 8 ว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจริงๆต้องการเมื่อไหร่ต้องได้เมื่อนั้นถ้าไม่ต้อง ไอ้มีดดาบฟันนั่นคือวิปัสสนาญาณฟันต่อไปคือกามฉันทะมันก็ฟัน แล้วหลังจากนั้นก็จับเอาสุขัมมถานขึ้นมาคือร่างกายของคนสัตว์เป็นสุขกลบในที่สุดก็จับ มันเต็มด้วยความโศก จิตจะมีความเยือกเย็นมากขึ้นคือความ เมื่อมันกําลังแก่กล้าความรักระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาคามีมันก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็ก้าวเข้า การจะเป็นอะไรให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคำว่าตัด เราชอบใจชังขั้นไหนเหมาะกับคำสึกการ เรื่องความอรูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเรายึดไว้เป็นกําลังแต่อย่างก็ถือว่าหลงขวางโง่คนโง่ ก็จึงถือตัวถือตนเพราะอะไรที่เข้ามาชมกันเมีย 2 เต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วหันไปดูร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้าร่าง กลายภายนอกมันสกรปลกกลายภายใน habitude เจ้ 74. づ dairy RS nine ป่ Vorteil vs catal, jak tu nie mide. ต้องรู้ร่างกลายภายใน FT ไ su pack, Ikka utensit umông tre vit ay di rôle om ni tuh meters zich YOU. อย่างนี้เข differ shape or u now. รู้พระ์ Ark paths behind. Elean-Prid eh ơi y ger is พระ Ark ท่านตายไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านสดใสงามขนาดไหนตัวร่างดูร่างกายพระอรหันต์ร่างกายอรหันต์ ร่างกายภายในถ้ายังก็ถือว่ายังเรายังเลวมากเราไม่เอาร่างกายของเราเข้าไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าเพราะ <c oughs> เราคิดว่าเราดีกว่าเขามันมีอะไรร่างกายเน่าร่างกายแก่ร่างกายสกปรกก็ เพราะร่างกายของคนย่อมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจ <c oughs> ว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของ คนที่เขาแสดงความรักใต้เราเขาจงทราบว่าไม่ช้าเขา แต่บอกว่าในเมื่อถึง <c oughs> ทั้งหมดนี้มีอารมณ์จิตเป็นทิพย์ผ่อง ตถาคตนางฟ้าโปรดก็ตามเอ้ยถ้ารูปพระใดเห็นก็ตามเค้ายึด <c oughs> มันก็เคยเข้าไปรบกวนในสมัยเสมอเครื่องความอทุกข์องค์ที่มาศึกษาที่นี่ความจริงความรู้จริงๆนี่ท่านปานสอนหมดแล้วท่านปานสอนไม่ ไม่ทะนงตนว่าเป็นคนดีและไม่ทะนงตนว่าเป็นคนรู้แต่ผู้เดียวแล้ว ท่านตอบว่าท่านได้บอกใส่บาตรให้ใช่ไหมท่านก็ <c oughs> ถ้าที่ฉันนี่สอนเฉพาะสังโยชน์ 10 ท่านเนียมสอนทุกอย่าง ถ้าคนเขามาถามดูสีหน้าคนดู อย่างพวกเธอนี่อาจารย์เธอดีแล้วเธอก็ดีตามอาจารย์ แต่คนที่ 15 วันใน 15 วันนี้ถ้า โรงขาวกราบท่านก็ออกมาพอพอก็คุยกันว่าเอ๊ะที่องค์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อเนียมนี่นะก็เห็นหลวงพ่อเนียมนั่งเฉยๆองค์นั้นมาคลุมแล้วคลุมรูปร่าง <c oughs> เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เรา <c oughs> คุยกันแล้วก็มาที่พักเมื่อมาที่พักก็อาศัย 2 เสียงพระนิยมร้องตะโกนมาบอก คิดอย่างนี้ถูกวิปัสสนาญาณไม่ใช่เฉพาะเอาไปนั่งคิดคนเดียวต้องคุยกันตามนี้เวลาที่เราคุยกันเวลา <c oughs> แต่ความจริงท่านร้องตะโกนท่านพูดเสียงดังๆมาจากโคติของ เริ่มตะแข่งขวาจับอานาปานุสติเธอท่านบอกว่าอย่างนั้นถูกแล้วจิต ไอ้พวกอาจารย์ยุ่งเรื่องฤทธิ์ไม่ใช่ <c oughs> เย็นหลับตาจับอานาปานสติกับพุทธานุสติพอเดี๋ยว ทุกคนท่านก็ใส่บาตรแต่ว่าท่านข้าวที่ท่านมากินนั่นคือข้าวสีเหลืองไม่มี แต่ว่าท่านตายแล้วท่านเป็นเทวดาเราตายแล้วเราจะไปไหนถ้าอย่างเลวเราก็อยากเป็นเทวดาเพราะเราไม่ลงนรกอย่างกลางเราก็อยากเป็นพรหมอย่างดีที่สุดเราก็อยากเป็นพระอรหันต์นิพพานก็พอนึกผมพูดพอนึกอย่างนี้เท่านั้นพระเนียมบอกแล้ว ต้องเปญญะนั้นอันดับแรกต้องจับความเป็นเทวดาให้ได้ก่อนถ้าเมื่อเวลานี้เธอ อย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรง 1 2 3 4 5 6, 6 8 ต้องฝึก แล้วหลังจากนั้นจับวิปัสสนาญาณคือสัญโญสิตอย่าไปจับทรงเดชมันก็ปล่อยใจตาม ถ้าข้าจะสังโยชน์ 10 ข้อไหนก็ต้องต้องถือว่าเวลานั้นเราเลวจงต้องมีตัวเองว่าเราเลวในสังโยชน์ทั้ง <c oughs> 10 ประการต้องไม่มีในเราความจริงแล้วมันมีเราต้องทําให้มันไม่มี ในที่สุดในเมื่อตัดจะสามารถตัดสังโยชน์ 5 ได้แล้วนะแต่ๆ และเมื่อถึงเวลาท่านท่านให้กลับก็ลาท่านกลับกราบด้วยความเคารพแล้วกราบเรียนทราบว่ากับผมจะมีโอกาสมาหาน้องพ่อใหม่เค้ารับท่านบอกเธอไม่ ตอนหลังเนี่ยบ้านฉันฉันเตรียมมานานแล้วโพธิ์เธอเคยเห็นบ้าน พระพุทธภูมิก็เอานิพพานเราเฝ้าปานชวนไว้ก็เลยบอกว่าท่านก็ตามเธอก็ต้องทําหน้า <c oughs> ต่อไปเมื่อหน้าเธอจะมีภาระหนักในการสอนพระกรรมฐานยาม เป็นสีคล้ายเพชรประดับทองศรีคลายเพชรประดับทองมีสระปกคลีมีต้นเป 40 ปี ทำไมทำไมต้องลาเขาบอกว่าเพลน บางทีก็เป็นแค่เห็นภาพหรือภาพน้อยก็บอกว่าสําเร็จแล้ว <c oughs> 70 กว่า 80 กว่า 90 กว่า 100 กว่า ik heb het gevoel dat je die tijd hebt. Je bent 70, die tijd, je bent niet die tijd. Je bent niet die tijd. Je bent niet die tijd. Je bent niet die tijd. Je bent 80 niet 90, niet niet niet ขอเวลาสึกส่องเพียงพอมั้ยบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมัน Jongmeer, me dat is dan de